ขนาดไหนก็ปากแดงแก้มใสไม่ถูกใจเธอจะหมูแบนฉันก็ไปเสริมตรงไหนแฟดฉันก็เติมเส้อ จ, จนเบื่อตัวฉันดำไม่ทำให้วามวิวก็อาบนมบ่มผิวแล้วไม่ใช่ยรัก พ่อ ให้เนียบให้เธอดูดปากเจียบเมื่อเธอมองเจอใส่จริตแถมเดินดีดิน้นเดินแทบไม่ติดดินทั้งที่งโง่เสอือทาเล็บจนแดงแจ้ใส่ส้นสูงเดินแท้นั้นก็เพื่อเธอนังเท้าแขนเอ้ยจนแอ่น